ทุกวันเวลาเช้าข้าพเจ้าพระภัยบุญอภิปุโนโจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องของธรรมะนั่นเองธรรมะคือคําสอนอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วในเรื่องของคําสอนนี้ก็เป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงโดยสิ้นเชิงนี่คือหมดจดแต่ทำฟัง บริสุทธิ์บริบูรณ์ชน่เรียกว่าหมดจดอย่างบางทีพื้นผิวบางอย่างเราเห็นมันเรียบเขาเอากล้องสุรทัศน์สูงเข้าไปดูเอ๊ะมันกรุกลายมันไม่เรียบแท้มันไม่เรียบจริงพื้นที่บางอย่างเราเห็นว่ามันสะอาดเอาผ้าเช็ดเข้าไปหรือไปกวาดมันดูเอ๊มันก็ยังมีฝุ่นมีอะไรบ้างเอาเครื่องมือตรวจสอบดูก็ยังเห็นฝุ่นเห็นอะไรแต่ธรรมะของพระเจ้านั้นเวลาที่ใช้ทําความสะอาดจิตแล้ว จิต น, นั้นสะอาดหมดจดโดยสิ้นเชิงนะหมดจดเรียบร้อยคือร0 0ยเซเลยเพราะว่าเป็นการทำความสะอาดที่ตัวรากเงาของมันนะความโศกโปรความเปืเป่อเบื้อเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัณหาวภิชานะเป็นสิ่งที่จะทำให้มีความไม่เข้าใจไม่รู้ต่างๆอย่างที่เราเคยพูดกันไปแต่ธรรมะนั้นจะทำให้สิ่งเหล่านี้นั้นมันดุดลอกออกไปไดนะ้ที่รากฐาน ไม่ใช่แค่พื้นผิวแต่เป็นเข้าไปในถึงรากเหง้าของจิตนั่นเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมานั้นจะเป็นเรื่องที่สูงส่งสูงมีความลึกลำํำมีความกว้างขวางสูงสูงมากด้วยธรรมานี้สูงอย่างไรก็ตามก็ไม่เกินวานหนึ่งกว้างที่บอกว่ากว้างขวา ง, วางไปหมดเนี่ยทุกเรื่องทุกราวกว้างอย่างไรก็ตาม กว้างไม่เกินศอกหนึ่งความลึกล้ําของธรรมะที่บอกมีความลึกล้ํามีความหนาแน่นความลึกความหนานี้ก็หนาไม่เกินคืบหนึ่งสูงหนึ่งวากว้างหนึ่งสอกหนาหนึ่งคืบก็คือในกายของเรานี้นั่นเองท่านผฟังอยู่ในกายของเรานี้ท่านผูฟังลองเอาดูนะลองวัดดูนะเอาวาหนึ่งของตัวเอง เอาเชือกมาวัดว่าวาหนึ่งของเรามันเท่าไหร่แล้วมันจะออกมาพอดีพอดีกับความสูงของตัวเราหรือว่าเอาศอกของเราตัวเราดูวัดดูแต่คนที่มีร่างกายปกตินะคือไม่อ้วนเกินไปเนี่ยแล้วก็จะมีความกว้างของร่างกายเท่ากับประมาณ1ศอกจากไหลไปไหลอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็คือ1ศอกถึงศอกก็คือวัดจากปลายนิ้วกลางจนมาถึงศอกแต่ตรงที่มันจะหักมุมเข้าไปเป็นทางต้นแขนเนี่ย จะกว้างเท่ากับหลายข้างหนึ่งถึงลายข้างหนึ่งบดีส่วนเมื่อสักรู่ที่พูดถึงวานะก็คือปลายนิ้วกลางข้างหนึ่งจนถึงปลายนิ้วกลางอีกข้างหนึ่งเนะี่ยยืดมันออกให้ได้ระยะทางที่ยาวที่สุดมากที่สุดนะก็จะเป็นความสูงตั้งแต่พื้นท้าของเรานะจนถึงศีรษะข้างบนนุ่นนะความหนาก็เหมือนกันเอาคนปกติปกตินะต่อให้อ้วนขนาดไหนก็ตามนะกระดูกมันไม่ได้อ้วนไปด้วยถูกหมเพราะฉะนั้นไอ้ความหนาหนึ่งคืบเนี่ย มันก็คือประมาณกระดูกไอ้เจ้ากระดูกซิคโครงเนี่ยจากด้านหลังนามาด้านหน้าออกมาอีกนิดนึงเท่านั้นเองนี่คือความหนาของคนนะถ้าเกินไปกว่านี้คือไขมันละก็แล้ว แ, ลแต่คนไปแต่โดยทั่วไปจะเป็นอย่างนี้สูง1่งวากว้างหนึ่งศอกหนานหนึ่งคืบไม่เกินนี้เท่ัาา้งธรรมะอยู่ในนี้อยู่ในร่างกายที่เราหาได้นี่เ อยู่ในสกลกายนี้นั่นเองเพราะนั้นในเมื่อกายนี้มีธรร ม, มะอยู่เอ๊ะมันอยู่ตรงไหนธรร ม, มะนี้อยู่ตรงไหนของกายเราพูดถึงมาเป็นประจำตามหวังว่าหนึงอยู่ในลหมหายใจเราเห็นอยู่นหนึ่งลมหายใจเข้าลหมหายใจออกเอ๊ยอันนี้เรียกว่าเห็นกายฮนะถูกต้องแต่เพราะเมื่อเรามาระลึกถึงลหมหายใจนั่นคือเราเอาจิตของเราเนี่ยมานึกถึงลหมหายใจปั๊บสติตั้งขึ้น สติตั้งขึ้นนี้แล้วแล้วคุณทําสตินี้ให้ดีนะทําสตินี้ให้ดีก็คือว่า <S <S เพียงแค่อาศัยระลึกนะว่ากายมีอยู่แล้วก็คลายตันหาคลายทิฏฐิความยึดถือที่เกิดขึ้นจากกายนี้นะเราละตันหาละทิฏฐิที่เกิดขึ้นจากกายนี้โดยใช้กายนี่แหละเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงให้จิตมีสติแล้วละได้นี่นี่อยู่ในกายนี้อยู่ในลมหายใจนะนอกจากอยู่ในลมหายใจแล้วในอย่างที่สองอยู่ในเรื่ององการ อิริบท่างๆก็มีแต่การเดินการยืนการนั่งการนอนหรอยู่ในอิริบทใดๆตั้งกายไว้ด้วยกิริยาอาการอย่างใดๆก็รู้ทั่วถึงกายนั้นด้วยอาการอย่างนั้นๆแต่ความรู้ตัวรบอบครอบความรู้ตัวทั่วถึงในอิริบททั้ง4ี่เนี่ยก็ใช้เป็นสติใช้เป็นฐานที่ตั้งได้เหมือนกันใช้เรื่องของการรู้ตัวในอิริบทต่างๆ เป็นฐานที่ตั้งเพื่อให้เรารู้ว่าสตินั้นมีอยู่กายมีอยู่มีอยู่แล้วไงแล้วก็คลายตัณหาและทิฐิเนะ่ยที่มันอยู่ในกายนี้นั้นะถ้าคลายได้แล้วนี่ดีเนะี่ยถาม่อยู่ในกายนี้หรืออย่างที่สามเนะี่ยผู้ชาก็ได้ตรัสถึงเรื่องการรู้ตัวรอบครอบในการมีทํากิจกรรมต่างๆในกิจกรรมต่างๆเหล่ า, าลนั้นคืออะไรเนี่ยคือรู้ตัวรอบครอบในการแลกการดูการเหลียวดู การคู่การเหยียดการใส่เสื้อผ้าการเดินไปเดินมาการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการกินการดื่มการเกี่ยวการลิ้มการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งรู้ตัวรอบครอบในกิจกรรมต่างๆที่เราทำคือจะพูดถึงเรื่องของเรียบที่มันก็แค่สี่ยามก็ยังหยาบอยู่เอาละเอียดลงไปอีกไม่ว่าจะเป็นการพูดการนิ่งคุณอาจจะนั่งพูดยืนพูดนอนพูด นะหรือวิ่งพูดไปอา้าวในการฟังการกินอาหารนะมันละเอียดลงไปอีกเพราะนั้นถ้าเรามีสติรอบคอบในการทําให้ละเอียดลงไปอย่างนี้นะีใช้กายของเราเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งให้จิตมาให้จิตมาระลึกถึงสิ่งเหล่านี้มารู้ตัวรอบคอบนะให้มีสติตั้งไว้เนะี่ยผู้ที่เป็นอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสัมปชัญญะนะมีสติอย่างมีสัมปชัญญะจิตมีฐานที่ตั้งมีความระลึกถึงรู้ว่ากายนี้มีอยู่แล้วเนะี่ก็ เห็นความเกิดขึ้นบ้างเห็นความเสื่อมไปบ้างเห็นทั้งความเกิดขึ้นความเสื่อมไปในกายนี้ในเห็นอย่างนี้นะแล้วคุณจะสามารถที่จะละตัณหาและทิฏฐิที่อยู่ในกายนี้ได้นะความเป็นอย่างนี้ธรรมอยู่ในกายนี้นะั่นี่คือข้อที่3ข้อที่4ี่ก็คือเห็นส่วนประกอบต่างๆของกายในะที่พระุทธเจ้าบอกว่าให้พิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่พื้นเท้าจนถึงปลายผมเนี่ยมี ความไม่สะอาดต่างๆนะ่ะมีอะไรบ้างในกายของเรานะ่ะไล่ไปสิ่งที่เห็นได้ภายนอกมีอะไรผมนะ่ะขนด้วยนะ่ะเล็บเห็นได้ภายนอกตัวยังไม่ต้องผ่าไม่ต้องตัดอะไรนะ่ะฟันเราเห็นอยู่ยิงฟันออกมาเห็นหนังนะ่ะพวกนี้เห็นห้าอย่างนี้เห็นจากภายนอกผมคนเล็บฟันหนังนะ่ะใต้หนังลงไปก็มีเนื้อใต้เนื้อลงไปนะ่ะสุดๆดของเนื้อก็เป็นเอนะ็นน่ะในเอ็นมันกเกาะ อ, อยู่กับกร ะ, กระดูกในกระดูกก็มีเยื่อในกระดูก แล้วส่วนที่เป็นอวัยวะภายในนะก็ไตหัวใจนตับก็มีอยู่ในนี้น่ะพังผืดก็ยึดพวกนี้เอาไว้น่ะม้ามปอดลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่น่ะอาหารที่ค้างอยู่ในกระเพาะน่ะมันย่อยดูดซึมไปแล้วมันก็เป็นส่วนที่เก็บในลำไส้ใหญ่ก็เป็นอุจจาระอย่างงี้น่ะน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำมันน้ำตาน้ำเงื่อน้ำลายน้ำเมือกน้ำลื่นหลอดข้อน้ำมูด ช่งตัวนี้หมายถึงว่าเราจะหลับตาพิจารณาให้เห็นว่าในกายของเรามีสิ่งประกอบเหล่านี้หรือว่าเราจะลืมตาก็ได้หรือแม้ในขณะที่เราท่ายอุจจาระไปห้องน้าอย่างเงี้ยเห็นอะไรมันออกมาโอ้กายเราก็มีอย่างนี้นะหเห็นเลยเห็นแล้วยังไงคือเห็นแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่มีความขยะกขยงมีความไม่พอใจเห็นเป็นสิ่งที่น่าขยะกขยงแต่ถ้าเห็นอย่างนั้นยังไม่เรียกว่าใช้กายนี้เห็นธรรมนะแต่ว่าใน ก้อนที่มันออกมาจากท้องเราเนี่ยหรือว่าในกายของเราเนี่ยมีส่วนที่เราทําให้เราเห็นทําได้นั่นคือถ้าเราเห็นแล้วเห็นความเกิดขึ้นของกายนี้เห็นความเสื่อมไปของกายนี้เห็นทั้งทำคือความเกิดขึ้นและเสื่อมไปของกายนี้นะเราเห็นอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเรามีสติและสติคือความระ้ึกว่ากายนี้มีอยู่เท่านั้นแล้วก็ตันหาก็ตามทิฏฐิก็ตามเนที่มันจะเห็นว่า ตัวนี้เป็นกายนี้เป็นของเราเนี่ยเราก็ละได้แเพราะละได้อย่างนี้ด้วยกระบวนการตรงนี้คือคุณใช้กายเป็นฐานที่ตั้งเป็นผู้ที่เห็นกายในกายเห็นธรรมะที่อยู่ในกายกายนี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนอะไรก็ตามในกายนี้อย่างที่พูดถึงอวัยวะต่างๆนี่ยจะเป็นของเหลวต่างๆเป็นธาตุดินที่อยู่ในกายเป็นธาตุน้ําที่อยู่ในกายส่วนตัวนี้พระเจ้ายกอุปมาใหม่เนี่ยที่เปรียบเทียบกับ ถุงที่เป็นผ้าและมีทั้งสองข้างเนี่ยคือถุงปกติทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นฝาเปิดด้านก้นมันก็ปิดเอาไว้เย็บติดเอาไว้ใช่ไหมทีนี้มีถุงประเภทที่เปิดได้ทั้งสองข้างด้านบนด้วยด้านล่างด้วยซึ่งถุงประเภทนี้เขาเรียกว่าไท้และไทนี้ก็เป็นตัวอย่างอุปามาอุปไม้ที่ผู้ชา ย, ยกขึ้นในการอธิบายว่าส่วนต่างๆของกายนี้มีอะไรบ้างเปรียบเหมือนไทที่มีทันยพื้นอย่างต่างๆ มีถัว่วมีข้าวสาลีถัวเขียวเข้าเปลือกข้าวสารงาอะไรอยู่ในนีนะ้คนเปิดถุงผ้านี้ออกนะห่อกันเอาไว้เนี่ยนะเปิดถุงผ้านี้ออกนะแล้วก็ดูสังเกตดนะูว่ามันมีองร์กรอบอะไรบ้างอันนี้เปรียบเหมือนกับคนนี่เองนะคนเนี่ยเหมือนกับเป็นถุงหนังท่านผะู้ฟังเหมือนถุงผ้านี่แหละแต่ทําจากหนังนะมีปากทางเข้าสองทางนะคือด้ังบนคือปากเรานี่แหละแล้วก็ด้านล่าง นั่นคืออุจราออกไปนันเข้าอย่างนี้ออกอย่างนี้นนเหมือนกันเป๊ะเลย น, นแล้วข้างในมีอะไรก็มีธั ญ, ญาชาติอย่างต่างๆ่าอนี่ถั่วเขียวนี่งาก็คืออาหารที่เรากินเข้าไปนั่นแหละนั่นมันประกอบส่วนออกมาเป็นร่างกายโอนี่กระดูกโอนี่เนื้อโอนี่หัวใจนี่เอ็นนั น, นี่ปอดนั่นแยกแยะออกไปเหมือนใต้เป๊ะแล้วถุงหนังนี้นั่นก็ยังมีของเหลวไหลซึมอยู่ตลอดเวลาเปืือนอยู่ตลอดเวลา แล้วก็คือหนังของเราเนี่ยมันก็มีเหงื่อมีอะไรออกมาของซึมของเลี้วไหลเข้าของเล้วไหลออกตัวถุงนี่ก็ซึมอยู่ตลอดลเป็นลักษณะนี้เห็นแล้วยังไงเห็นแล้วให้เห็นถึงความที่กายนี้มีอยู่มีสติตั้งไว้เท่านั้นเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปเห็นทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปะทอนตั้นหาและทิฏฐิที่ยึดถือกายนี้ให้ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ชื่อว่าเราเห็นธรรมะในกายนะกายที่เราบอกว่า ยาววากว้างสอกหนาคืบเนี่ยธรรมอยู่ในนี้เห็นอย่างนี้คือเห็นธรรมาในกายแต่นอกจากเห็นกายในลักษณะของถุงหนังนะมีปากทางเข้าปากทางออกไหลยเยิ้มอยู่นี่าก็ให้เห็นกายนี้โดยความเป็นธาตุสี่ก็ไดนะ้เราจะแบ่งเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมถ้าแบ่งอย่างนี้ก็เปรียบเทียบเหมือนกับคนฆ่าโคเนะขาฆ่าโคเสร็จแล้วก็ถ้าเราไปดูตามเขียงหมูหรือเขียงวัวก็ได้ เขาจะมีมีดอยู่อันหนึ่งเราก็ปาดเนื้อปาดตรงนี้ออกปาดเอ็นออกนใส่เครื่องในกองไว้อันหนึ่งหนังไว้อันหนึ่งขายเป็นส่วนๆแล้ก็เปรียบเทียบกับในการให้เห็นกายเนี่ยโดยความเป็นธาตุสีด่ดินน้ำไฟลมลส่วนไหนที่เป็นของแข็งก็รวมกันไว้พวกอวัยวะที่พูดมาเมื่อสักครู่ส่วนไหนที่เป็นของเห ล, ว, ลวก็พวกน้ำเหลืองน้ำเมือกน้ำมันพวกนี้ก็รวมไว้ส่วนหนึ่ง ส่วนไหนที่เป็นลมลมหายใจลมแล่นไปตามตัวลมขึ้นเบื้องบนลมลงเบื้องต่ําพวกนี้าัดไฟก็คือความร้อนที่อยู่ในกายันจะเป็นความร้อนที่ย่อยอาหารความร้อนที่ทําให้ตัวอบอุ่นหรือว่าความร้อนที่ทําให้แก่ชาราลงไปยังรวมถึงถ้าช่องว่างด้วยแต่ช่องว่างที่อาหารที่กินแล้วดื่มแล้วมันเลื่อนไปหรือว่าคงอยู่ บริเวณที่มันไม่มีเนื้อไม่มีเลือดบรรจุอยู่พวกนี้แตนะ่พวกนี้จะอยู่ในกายเรานะเราเห็นแล้วยังไงเห็นแล้วให้เห็นสิ่งที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเอกายนี้มันเกิดมาจากอะไรอาหารเนี่ยแต่เราฝั ง, งนะคล้องไหล่เข้านะคล้องไหลเข้าไหลออกนะไหลเข้าแล้วก็ไหลออกด้วยอะไรไหลออกก็อุจระเหงื่อใครนะน้ําเมือกน้ําแไรต่างไหลออกจากร่างกายนะแล้วอะไรเป็นเหตุเสื่อมไปของมัน หน้ากายนี้เสื่อมได้แตกได้เพราะความร้อนความหนาวความหิวความกระหายและ่ยพวกนี้เป็นลักษณะของรูปแต่กริยาที่แตกสลายได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่ารูปนีก็แตกสลายได้ด้วยลมบ้างด้วยฝนบ้างด้วยความร้อนความหนาวเหลือบยุงลมแดดพวกนี้กายเราก็แก่ลงไปเนี่มีความร้อนเผารนอยู่มันก็เสื่อมไปเสื่อมไปเห็นอย่างนี้แล้วแสดงว่ามีสติแล้วนะอกุศโธรตมเกิดขึ้นไม่ได้แล้วยังไงต่อ นีมันเห็นไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยมันก็จะมีความหน่ายนะหน่ายในกายนี้นายกลายกําหนัดก็ปล่อยวางได้นะไอ้นายที่เราเห็นจากกายนี้โดยความเป็นของไม่สวยงามเป็นต้นเนี่ยเห็นจากกายนี้โดยความเป็นของธาตุสีดินน้าไฟลมเปน็นต้นนะเห็นกายนี้โดยอิริบทต่างๆนะพอเราเห็นอย่างนี้มีสติตั้งขึ้นได้นะเห็นซ้ําๆย้ำๆไปจะเกิดความหน่ายกลายกําหนัดและปล่อยวางในความปล่อยวางนี่ก็เป็นธรรมะทุกอย่างนี้เป็นธรรมะหมดทั้งสิ้น นะธรรมะอยู่ในกายเรานีนะ่นอกจากเห็นโดยความเป็นท่าสีแล้วท่านผู้ฟังนะเราเพิ่งเห็นลักษณะว่าถ้ากายเราตายลงไปนะมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเนี่ยลักษณะมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างพระเจ้าได้เปรียบเทียนบะให้เราไปพิจารณาเห็นซากศพที่ทิ้งนะไว้ในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพตายแล้ววันหนึ่งบ้างสองวันบ้างซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกระบวนการการเก็บศพนี้เขาก็ทํามิจฉิษทําดีเหมือนกันนะนะนะคือศพเนี่ยจะไม่เน่าเพราะว่า เขาก็แช่แข็งเอาไวนะ้เข้าห้องดับจิตเข้าห้องเย็นเราก็จะไม่ได้เห็นความเนา่านะพอออกจากห้องดับจิตห้องห้องเย็นเขาก็ใส่ลงไปเผาเผาก็อย่างดนะีมีเตาเผาอย่างดีเก็บเรียบร้อยมองไม่เห็นอะไรข้างในแต่ทําให้เราไม่ได้เห็นว่าไอ้ศพเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ถ้าเราไม่มีห้องดับจิตไม่มีห้องเย็นเนะผากันโล่งในที่แจ้งไม่ได้เข้าเมนไม่ได้เข้าตู้เราเห็นม่าแค่ศพเนี่ยตั้งอยู่วัน2วันเนี่ย นะไม่ได้เข้าโรงเย็นไม่ได้เข้าห้องเย็นเนี่ยมันจะเริ่มเน่าแตนะเน่ามันก็จะเริ่มจากการที่มันเริ่มเขียวพองนะเป็นหนองเหมือนของเน่าเนื้อเราซื้อมาจากตลาดแตนะไม่ได้เข้าตู้เย็นเอาไว้ผ่านไปวันสองวันมันจะเริ่มเปลี่ยนสีแนะพองขึ้นเนะช่นเดียวกันกายของเราจะเป็นอย่างนี้นะเวลาที่เราตายไปแล้วเนี่ยนะไม่มีการไหลเวียนไม่มีการขับของเสียของเสียก็สั่งสมหมักห ม, มมอยู่ในระบบเซล มันก็เน่าเปื่อยแบคทีเรียก็กินแลเน่าเปื่อยมีกินเหม็นพวกแมลงวันก็มาแมลงวันตอมมากินของเน่ามันก็ไข่ใส่ไข่ใส่เข้าไปไอ้พวกนี้ก็เป็นตัวหนอนตัวหนอนนี่ก็ยิ่งร่าเริงเลยมีอาหารให้มันกินทั้งแบคทีเรียของเนา่าเนื้อสดอะไรอยู่ในนั้นหมดมันก็ว่ายไปว่ายมาชัไปชไัมาอยู่ตามทวารทั้งกล่าวปากหมูอะไรต่างใช้เข้าใช้ออกอยู่ในนี้ กินไปกินไปแล้วเราก็พึงน้อมเข้ามาเปรียบกับกายนี้ทา่าันเดี๋ยพึงน้อมเข้ามาเปรียบกับกายนี้ว่าแม้กายเนี้ยก็มีธรรมดาเป็นอย่างนี้ในมีสภาวะเป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้กายที่เปื่อยน้าข อ, ของเราเนี่ยพอวิ ญ, ญญาณคือความหมายรู้ใ น, นที่มันมาอาศัยกายนี้อยู่ใ น, นที่มันมาอยู่ในกายนี้เนื่องจากเหตุปัจจัยเรื่องกรรมก็ตามในเรื่องของภพก็ตามเนี่ยพอมันไม่สามารถจะอยู่ในกายนี้ได้แตกดับไปแล้ว ดับไปจากกายนี้แล้วกายนี้ก็จะต้องเป็นอย่างนี้แต่ตัวเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้แต่เพราะก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่กายนี้มันมันอยู่กันไม่ได้ถ้าสีดินน้ำฝฟลมมันต้องแตกไปนะพอแท้แตกประสานกันไม่ได้นะวิญญาณก็ตั้งอยู่ไม่ได้นะจะอาศัยรูปนี้ตั้งอยู่ไม่ได้พออาศัยรูปนี้ตั้งอยู่ไม่ได้กายไปไหนก็ต้องนอนเถอะทับพื้นแผ่นดินไปนะกายของเราที่เราคิดว่าเป็นตัวของเรามันก็ต้องถึงความเป็นอย่างนั้นแล้วนะก็เห็นอน้อมตีเข้ามาว่ามันเป็นอย่างนี้ ไอ้เวลาที่เราพิจารณาเห็นแล้วแล้วเราน้อมจิตเข้ามาว่าแม้กายของเราก็เป็นอย่างนี้ในการที่เห็นว่าแม้กายของเราเป็นอย่างนี้เนี่ยคือน้อมเข้ามาใส่ตัวแน้อมเข้ามาใส่ตัวพิจารณามีการทําโดยแยบคายนั่นคือการโยนิโสมนสิการโอ้ฉันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะกระบวนการตัวนี้คือคุณมีสติตั้งขึ้นไว้ละโดยใช้กายของคุณน้อมเข้ามาตรงนี้พอมีสติตั้งขึ้นใช้กายน้อมเข้ามาแล้วมันก็พิจารณาไปสิ พิจารณาไปก็จะเห็นความหน่ายความคลายกหนัดก็จะดับปล่อยวางได้เป็นผู้ที่มีสติเพียงแค่ระลึกว่ากายนี้มีอยู่เห็นความเกิดขึ้นและเสื่อมไปแล้วก็ปล่อยวางตันหาทิฏฐิที่เรายึดอยู่ในกายนี้ได้นอกจากเห็นกายเป็นซากศพที่เน่าเปื่อยมีนอนเจาะชัยไม่ใช่แค่นอนหรอกถ้าไว้ตามป่าชา้าอย่างเงี้ยก็จะต้องมีสัตว์อื่นมากินด้วย นะมีนกอีแรง้งนกตะกุมผู้งามาจิกกินนะสุนัขจิ้งจอกหรือว่าพวกสัตว์ต่างๆก็มากินพอมันกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เนื้อมันก็หมดไปเหลือแต่กระดูกแต่กระดูกนี้ก็ยังมีเอ็นรึงรัดอยู่เนะี่ยเพราะว่ามันกินเอ็นไม่ได้ทีนี้เนะี่ยมันเหนียวนะมีเลือดเปื้อนอยู่ด้วยนะเหลือแต่กระดูกการนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้ต้องฝังแตนะ่พอมันเปื่อยไปเรื่อยๆแห้งไปเรื่อยๆผ่านไปหลายวัน แล้วนะก็มีเนื้อไอ้ที่เนื้อเสร็จเนื้อติดอยู่ที่เป็นเลือดเปื้อนอยู่เนี่ยก็หมดไปนะัแต่ว่ายังมีเอ็นรึงรัดอยู่นะผ่านไปละนานหน่อยเป็นเดือนเป็นปีแล้วเอ็นะ N นี่ก็เริ่มเปื่อยก็จะขาดออกจากกันพอนะเอ็นขาดออกจากกันไอ้พวกกระดูกที่มันรึงรัดอยู่ด้วยเอ็นเนี่ยมันก็จะเริ่มหลุดแยกออกเป็นจินๆินะขาไปทางหนึ่งกระดูกขาไปทางหนึ่งกระโหลกศีรษะไปทางหนึ่ง แลกระดูกสันหลังที่เป็นท่อนๆท่อนๆท่อนๆก็แยกออกจากกันนิ้วมือไปทางคางไปทางแยกกันไปก็เรียกว่าเป็นชิ้นกระดูกแยกเป็นส่วนๆพอเป็นชิ้นกระดูกแล้วสีมันก็เริ่มเปลี่ยนตันี้ผ่านไปหลายปีเข้าจากที่มันเป็นสีขาวมันก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจากที่เป็นสีเหลืองผ่านไปอีกหลายหลายปีเข้านมันก็เริ่มเปื่อยเป็นชิ้นๆเป็นผงละเอียด ผลพิการของเราจะเป็นอย่างนี้นะครัฟังกายของเราจะไม่ร่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้มีความเปื่อยเน่า ไ, ไปมีความที่จะเ ส, เสื่อมสลายไปแต่ถ้าเราเห็นกายอย่างนี้แล้วน้อมเข้ามาสู่ตัวว่าแม้กายของเราก็จะเป็นอย่างนี้ันจะไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้อย่างกายที่เราเห็นว่าเขาเป็นมัมมี่ไม่เ น, น่าใช่ไหมนั่นคือเนื้อเนี่ยไม่เ น, น่านนั้นด้วยกระบวนการบางอย่างเนื้อบางอย่างเราทำเป็นเนื้อเค็มเนื้ออย่างก็กเก็บได้นานหน่อย แต่ทีเราไปตากแดดใส่น้ํายาก็เก็บได้ดานหน่อยแต่ถ้าเก็บไว้นานเข้านานเข้านานเ ข, านานเขาน้าก็ไปแน่นอ น, น, นเสื่อมแน่นอ น, น, นหักแน่นอนเปรื่อยเป็นโพงแน่นอ น, นมีแน่นอนเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่ว่าคุณจะใส่น้ำมันน้ายาหรือว่าใส่สาราอะไรก็ตามความเปือ่อยผุพังเนี่ยมันจะเห็นได้แต่ชา้าเร็วก็ต่างกันกับที่เหตุปัจจัยเวลาที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเห็นกายอย่างนี้แล้วแต่ถ้าผอว่าเราเห็นแล้วเราเกิดความ ก็อยากขยั่งเกลยียดชังไม่พอใจเนี่ยอันนี้แสดงว่าคุณยังไม่เห็นธรรมนะแต่ที่ข้าพเจ้า พ, พูดเนี่ยหมายความว่าในกายของเรานี้มีธรรมะอยู่คือถ้าเราเห็นกายนี้อย่างเราดูหนังหน้าเราเนี่ยแม้เราก็แหมเคลิบเคลิ้แมมจะไมหน้าชั้นสวยหน้าฉันหล่อหรือดูหนังหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยโอ้คนนี้ทําไมหล่อจางดารานีนะ้รูปหน้ามันเรียวได้สัดส่วนผิวดีอันนี้ไม่ใช่เห็นธรรมานะอันนี้คือความหลงนะหลงกันที่หนัง เ, ยเฉยแต่ถ้าเราเห็นว่าใต้หนังเป็นอะไร ไม่ใต้เนื้อเป็นอะไรใต้กระดูเป็นอะไรนะเห็นจริงแล้วเออเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปด้วยเริ่มมีสติล ะ, นะเห็นความเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปของกายนี้อ๋อกินอาหารมาเป็นอย่างนี้ เ, เสื่อมไปได้เพราะว่าความร้อนความหนาวเปลี่ยนแปลงไปไดนะ้แล้วก็คลายความตัญหาในหนังนี่แหละคลายความยึดถือในกายนี่แหละได้นั่นคือเห็นธรรมะ กายนี้มีส่วนที่ทําให้เราเห็นธรรมะได้กายนี้มีธรรมะซ่อนอยู่มีความหลงอยู่ไหมมีอยู่ะปาดส่วนขี้ริ้วที่เป็นไม่สะอาดออกไปเหลือแต่ส่วนที่เป็นเนื้อลำล้ำดีๆนให้เห็นดูดูให้มันเห็นธรรมะอยู่ตรงนี้ธรรมะอยู่ในกายของเรานี้ถ้าใครใช้กายนี้นําพิจารณาโดยลักษณะนี้ได้เป็นผู้ที่ชื่อว่าเห็นกายในกายเห็นกายของคนอื่นก็ได้เห็นกายคนเดินเราก็เห็นอย่างนี้ เห็นกายตัวเองเราก็เห็นอย่างนี้พิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตเรามีสติแร่ก็ได้บอกใช้กายเป็นฐานที่ต่างในการระลึกถึงนเห็นแล้วระลึกถึงแล้วทําเรื่อยๆมากๆบ่อยๆตรงนี้มันก็จะเห็นเหตุเกิดขึ้นเห็นความเสื่อมไปเห็นตั้งเหตุเกิดขึ้นเสื่อมไปอยู่ตรงนี้อยู่เรื่อยๆคือถ้าจิตเราตั้งมั่นดีเนี่ยนะคัว่างความที่เป็นเหตุเป็นผลเราจะเริ่มเห็นพอเราเริ่มเห็นแล้วมันก็จะเริ่มมีความหน่าย นะพอมีความหน่ายก็จะใกล้กําหนัดแล้วก็จะปล่อยวางนะจังแต่ตอนที่เราเห็นเหตุเห็นความเสื่อมไปพวกนี้นี่คือเห็นธรรมะทั้งสิน้นในเนความเสื่อมไปมีความหน่ายก็เป็นธรรมะปล่อยวางได้ก็เป็นธรรมะนะเพราะฉะนั้นอยู่ในกายเหล่านะี้แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลประเด็นของเรื่องนี้ตามวันฝั่งมันอยู่ที่ว่าเราเห็นธรรมะในกายนี้ไหมกายนี้ทําให้เราหลงได้กนะายคนอื่นก็ทําให้เราหลงได้หลงเนื้อหลงหนังกันแค่นี้ล่ะ แต่ที่เรามันมาฉาบทาจะให้เราหลงลุ่มหลงอยู่ติดพันมัวเมาอยู่นี่มันมีธรรมะซ่อนอยู่ในนี้นะให้เห็นให้จริงนะปาส่วนเหล่านั้นออกเราจะเห็นจริงได้ใช้กายนี่แหละเป็นที่ตั้งนะก็ตั้งอยู่ในกายระวังส่วนที่มันจะเป็นพิษเป็นภยัยนะให้สติตั้งขึ้นว่ากายนี้มีอยู่เห็นเหตุเกิดเห็นเหตุดับแนะวันนี้ได้พูดกับท่านผู้ฟังถึงเรื่องของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะัะที่ไล่มาตั้งแต่เรื่องของลมหายใจ ในกายมีลมหายใจมีอริบททั้ง4เรื่องของสัมพัชัญญาเรื่องของส่วนประกอบต่างๆในกายอวัยวะธนะาตุที่เป็นธาตุน้นะํากับธาตุดินแล้วก็ธาตุทั้ง4แล้วก็ความที่กายนี้เป็นของเน่าเปื่อยกระดูกก็เปื่อยผุพังลงไปไดนะ้ตามการเวลาของมันไม่ใช่แค่เห็นแล้วก็หลงกันไปแต่เห็นให้จริงมองให้ถลัลุถึงเนื้อในถึงกระดูก แต่คือถ้าเราแยกแยะร่างกายออกเป็นลนักษณะของถุงหนังที่มีปากทางเปิดเข้าออกได้สองทางอย่างนี้แล้วเนี่ยเห็นจริงละเห็นทะลุหนังกันไปละดีมากในเห็นทะลุหนังมันก็จะเริ่มเห็นเหตุเห็นความเสื่อมไปนเห็นความดับเห็นความไม่เที่ยงก็จะเกิดความหนายคลายกําหนัดแล้วก็ปล่อยวางได้ในวันนี้ข้าพเจ้าพระภัยบุญพิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนและท่านผู้ฟังมีคําถามข้อเสนอแนะ หรือสิ่งใดๆต้องการติดต่อกับทางรายการสามารถส่งมาได้โดยเป็นปรนิศนีหรือเป็นจดหมายแต่งเกียมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมู 8, ่แปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งไปที่แบบไซต์ก็ได้ที่ www. p พียวธรรมะ p u r e d h a m m a วันนี้ครับเจ้าพระพายบุญก็ข อ, ขอลาไปก่อนจริมอน